สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสีงยงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในยุคเปรียซูตอนที่สองสิบสาเรื่องรับการข่มเหงสองพี่น้องครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับเรารู้นะครับว่าวัตถุประสงค์ของการข่มเหงที่เกิดขึ้นกับพระเยซูก็ดีหรือย้อนผู้ให้บาปิสมา ก, ก็ดีหรือเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อก็ดีล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ล้วนแล้วแต่ได้รับการ อ, อนุญาตจากพระเจ้า ล้วยแล้วแต่อยู่ในแผนงานของพระเจ้าทีนี้ครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูบทแทรกจากอดีตครับที่ทําให้เราทั้งหลายจะรู้ว่ายอนผู้ให้บัพติมานั้นถูกประหารชีวิตอย่างไรครับเฮโรดได้ยินข่าวว่าพระเยซูคือยอนผู้ให้บัพติมานซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายเฮโรดก็นึกว่ายอนนั้นบอกว่าเออเราได้ตัดสีษะยอนไปแล้วคนนี้ที่เราได้ยินเหตุหการณ์ทั้งเขานี้คือผู้ใดเล่า ถูกแล้วครับเฮโรดได้สั่งประหารชีวิตยอนเพืให้ปับสีมาแล้วเมื่อเราอ่านบันทึกจากภาคกิติคุณทั้งสามเล่มทําให้เรารู้ว่าเฮโรดนั้นจับยอนขังคุกอย่างไรทําไมถึงต้องจับยอนขังคุกครับเพราะว่ายอนได้ตําหนิเฮโรดที่รับนางเฮโรเดียสน้องสะใภ้มาเป็นภรรยาพี่น้องครับเฮโรดนั้นเขาเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ครองมนทนเขาได้ทําผิดตัวเวณีครับเขาได้ทําความบาปก็คือรับเอานางเฮโรเดียส ซึ่งเป็นน้องสะพ้ายนั้นมาเป็นภรรยานะครับนางเฮโรเลียสนี้เป็นภรรยาของเฮโรดฟิลิปที่หนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของเฮโรดผู้นี้นะครับพูดง่ายว่าเฮโรดมหาราชนั้นเขามีอิทธิพลมากแล้วก็มีเขตปกครองมากทีเดียวเมื่อมีเฮโรดผู้ลูกนะครับหลายหลายองค์เขาก็แบ่งชันปันส่วนให้เฮโรดแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับก็ครอบครองแคว้นต่างๆหรือมวลตนต่างๆทีนี้เฮโรอดอันทิพสัสเนี่ยครับ นะครับเฮโรดอัยพาสคนที่จับยอนเข้าคุกนะครับคนที่ไต่สวนพระเยซูก็ไปรับเอาภรรยาของน้องชายนะครับภรรยาของน้องชายเรียกว่า e นะเฮโรดฟิลิปที่หนึ่งเนี่ยดันั้นผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นภรรยาของเฮโรดเนี่ยก็ชื่อว่านางเฮโรดิสนะครับเฮโรดิสเฮโรดิสนี้เป็นภรรยาของเฮโรดฟิลิปที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องชายเฮโรด พี่น้องจําแล้วอย่าสับสนนะครับจะงงนิดนึงนะแต่แล้วนะครับเฮโรเดียที่กลับมาแต่งงานและอยู่กินกับเฮโรดอันดีพัสซึ่งเป็นพี่ของสามีของตัวเองมาราโกบันทึกนะครับว่านางเฮโรเดียซึ่งผูก พ, พยาบาทย่อนมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงที่มีชู้แล้วก็มาแต่งงานกับพี่ชายของสามีของตัวเอง แล้วยอนเนี่ยก็ไปตำหนิเขายอนี่ก็จะไปไปทำให้เฮนางเฮโรเดสเนี่ยอับอายครับเนี่ยก็เลยผูกพยาบาทแค้นกันขึ้นมาเฮโรเดสเั้นผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะฆ่ายอนเสียแต่ยังหาวิธีไม่ได้เฮโรดนะครับชูชูของเฮโรเดสนั้นจับยอนถังคุกแต่ยังไม่ได้ฆ่าครับ มัทติวบันทึกและมารโกรก็บันทึกเช่นเดียวกันมารโกรบันทึกว่าเป็นพเพราะเฮโรดกลัวยอนพอเพราะเฮโรดรู้ว่ายอนนั้นเป็นคนที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์นะครับตามบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวยูที่มีชื่อเสียงเขาบันทึกนะครับว่ายอนนั้นถูกขังคุกที่ป้อมแห่งมาเคัสใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลใตยนะครับป้อมแห่งมาเคัส ใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลตายพี่น้องที่เคยไปทะเลตายนะครับก็คงจะทราบดีว่าทะเลตายนั้นเป็นยังไงบ้างตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลตายนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับพี่น้องครับกลับมาถึงเรื่องของเฮโรเดียสนะครับขณะที่มีการเฉลิมฉลองวันเกิดนะครับวันคล้ายวันประสูติของเฮโรดที่พระราชวังนางเฮโรเดียสนั้นก็มีจิตใจที่คิดจะหาโอกาสแก้แค้นย้อนอยู่แล้ว มัตติวบันทึกว่าที่ดาของเฮลเดียสออกมาไรา้รำในพิธีเลี้ยงต่อหน้าคนทั้งหลายคงจะไร้รำนะครับในลักษณะที่ยั่วยวนครับนะครับภาษากรีกคําว่าไร้รำในที่นี้มีความหมายถึงการไร้รำอย่างยั่วยวนราคะเด็กสาวผู้นี้ได้เต้นรยร่วมกับผู้หญิงคนอื่นๆเพราะในพิธีเลี้ยงเช่นนี้มักจะมีหญิงสาวออกมาไรา้รำอย่างไรก็ตามนะครับการที่เป็นถึงเจ้าหญิงได้ออกมาไร้รำต่อ หน้าผู้ชมในพิธีเลี้ยงนี้เป็นการขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอย่างยิ่งครับและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมอันดีงามแต่ยอนก็ได้ตาหนิไว้ว่านางเฮโรดิสนี้ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมและเห็นได้ชัดว่านางมีอิทธิพลต่อลูกสาวเป็นอย่างมากครับนะครับเฮโรดิสนี้ไม่ใช่เป็นหญิงดีครับเป็นผู้หญิงที่ดีไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมแต่มีอิทธิพลต่อลูกสาว มาร์โกนะครับบทที่หกข้อยีิบเอ็ดได้กล่าวว่าแขกที่มาในงานเนี่ยนะครับมีทั้งขุนนางมีทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีทั้งคนสําคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลีทั้งหลายมากันหมดครับขุนนางก็คือข้าราชํานักในวังของเฮโรสนายทหารทั้งปวงก็คือผู้บัญชาการทหารตามป้อมต่างๆในแคว้นกาลิลีคนสําคัญของแคว้นกาลีก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีทัพย์สิสงขานเป็นเศรษฐีนะครับเป็นนายทุนต่างๆมากันหมด แสดงว่างานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่มากครับและลูกสาวของนางเฮโรเดสนะครับที่ออกมาไล่ร า, รามนั้นเพื่อที่จะยั่วยวนเพื่อที่จะทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนักบวชสารนะครับบอกเราว่าเฮโรเดสนั้นมีลูกสาวเพียงคนเดียวนะครับและนางชื่อว่าซาโลเมเฮโรดถูกใจเด็กผู้หญิงคนนี้มากแล้วเชื้อเชิญให้มาร่วมรับประทานอาหารด้วย ขณะนั้นนางเฮรโรเดียสไม่อยู่ที่นั่นครับผู้หญิงไม่ได้รับเชิญให้มาร่วมรัมรบประทานอาหารกับผู้ชายเฮรโรดก็กล่าวกับซโลเมว่าเธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้นและให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะขอสิ่งใดๆเราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติเลยครับตรงเนี้เราก็ค่อนข้างจะสานิฐานได้ว่าเฮรโรดนั้นเป็นกษัตริย์ที่อยากยิ่งใหญ่พอสมควรแต่อาจจะเกิดการเมานะครับเมาสุรานะครับ ซาโลเมก็เลยออกไปจากห้องไปถามแม่ขอคําแนะนําว่าควรจะขออะไรเฮเลียสก็ได้อากะโอกาสครับนะครับในมัตทิวบอกว่านางแนะนําให้ซาโลเมขอจากเฮโรดว่าขอศีรษะของยอนขอหัวของยอนใส่ถาดไม่ฉันพี่น้องครับคําว่าหัวของยอนใส่ศีรษะใส่ถาดใส่ถาดมานี่มีความหมายว่าตัดคอยอนครับนะครับขอให้ทํา ตามคําขอร้องของนางในทันทีนะขอศีรษะย้อนใส่ถาดไม่ให้ฉันที่นี่หมายความว่าขอทันทีครับพี่น้องครับเฮโรตนั้นเสียใจเป็นอย่างยิ่งมัตทิวใช้คําว่าเป็นทุกคนระดับชั้นแบบเฮโร่เนี่ยนะครับเป็นทุกและในขณะเดีวยวกันไม่อาจบิดผิวคําปฏิญาณยิ่งกว่านั้นเฮโร่ ก็ไม่อยากที่จะเสียหน้าต่อบุคคลสําคัญต่างๆในแคว้นเกาลีเฮโร่ Hero จึงนะครับให้ทหารไปทําตามคําสั่งในที่สุดย้อนถูกประหารชีวิตครับนะครับย้อนถุกประหารชีวิตนี่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติของชาวยูซึ่งไม่อนุญาตให้มีการปรหารชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าบทบัญญัตินะครับในกาลีนั้นบทบัญญัติเป็นไปตามที่เฮโรดเห็นเหมาะสมครับ น, นี่คือสิ่งที่เป็นการตายของยอนในความคิดในความเห็นของคนธรรมดาทั่วไปนี้ยอนตายแบบอะไรครับแบบไม่มีศักดิ์ศรีครับเพราะเหตุว่ามีผู้หญิงนะครับโกรธแค้นแล้วตายด้วยวิถีที่ไม่ค่อยดีนะัก็คือว่าผู้หญิงนั้นเป็นคนที่เป็นต้นเหตุให้ยอนจะต้องถูกตัดคอตายนครับแต่ว่าการตายของธรรมิกชน สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับการตายของธรรมิกชนสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะตายอย่างไรนะครับแต่การตายนั้นจะเป็นการตายที่มีศักด์ศรีสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าลูกศิษย์ของยอนฝังไว้นะครับเอาศพของยอนฝังไว้และไปทูลให้พระเยซูทราบครับเมื่อเฮโรดได้ยินข่าวเรื่องลือเกี่ยวกับพระเยซูว่าพระเยซูเป็นผู้ใดเฮโรดก็นึกถึงยอนนะครับ นึกถึงยอนและความจริงที่ว่าตนเองได้ประหารชีวิตยอนไปแล้วในพระธรรมลูกา่นั้นลูกกาจบเรื่องเล่าของตอนในข้อที่เก้าโดยระบุว่าเฮโรดปรารถนาที่จะเห็นพระเยซูพระเยซูไม่ทรงอนุญาตให้เป็นเช่นนั้นครับทรงเริ่มกำชับประชาชนมิให้แพร่คลายเกี่ยวกับกบารอัศจรรย์ที่ทรงกระทำพระองค์ทรงพยายามที่จะปลีกตัวไปอยู่ในที่สันโดษครับฝูงชนเป็นมากก็ยังติดตามพระองค์ไปเฮโรดไม่ได้มีโอกาสเห็นพระเยซูจนกระทั่งไต่สวนพระอง์ ในลูกกาบทียี่ิบสามต่อมานะครับพี่น้องครับมาระโกจบท้ายเล่าเรื่องเล่านี้โดยแจ้งว่าบันดาสาพวพกที่เปเยซูใช้ไปเป็นคู่กับมารายงานให้พสสระองค์ทรงทราบถึงสิ่งที่พวกตนได้ทำและประชาชนที่พวกตนได้สอนเปเยซูก็ตอบนะครับตรัสในพระธรรมมาระโกว่าทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งมีประชาชนเป็นอันมากนะครับไปเป็นมามาจนกระทั่ง พระเยซูกับเหล่าสาวกไม่มีเวลาว่างแม้จะรับประทานอาหารฉะนั้นพระองค์กับพวกเขาจึงลงเรือออกไปยังที่ที่เปลี่ยวแต่ลําพังเพี่อนครับเราเขียนนะครับว่าพระเยซูกําลังหลบนะครับหลบมวลชนอยู่เพราะพระองค์ต้องการทําสิ่งที่สําคัญสําคัญก็คือการสร้างสาวกเพียงกับหลายๆครั้งทีเดียวนะครับเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการสร้างสาวกนะครับเราใส่ใจที่จะ ผูกพันตัวเองอยู่กับมวลชนนะครับเราใส่ใจที่จะผูกพันตัวเองอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เรามีชื่อเสียงมีความสนุกแต่ในทางกลับกันครับเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับเราจะต้องหันกลับมาสร้างสาวกสร้างสาวกในที่อะไรครับในที่เป็นลําพังก็คือเป็นการสร้างสาวกตัวต่อตั ว, ต ว, ตวหรือเป็นการสร้างสาวกหนึ่งต่อกลุ่มเล็กๆ นี่คือแบบอย่างที่พระเยซูได้วางไว้ให้กับเราอย่างนี้นก็ตามครับการรับการข่มเหงนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราอาเมน